นั่งตั้งใจไปกันตั้งใจก่อนนั่งสมาธิตั้งใจว่าถ้าง่วงเราก็จะดูมันฟุ้งเราก็จะดูมันให้ลืมตานะลืมตาตั้งใจลืมตาตอนลืมตาตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเราง่วงถ้าเกิดความง่วงเราก็จะดูมันเราจะไม่ยอมง่วงไปกับมันตั้งใจอย่างนี้ถ้าง่วงเราจะดูมันเราจะไม่ยอมง่วงไปกับมัน ถ้ามันหลุดออกไปคิดเราก็จะดูมันแต่เราจะไม่ยอมคิดไปกับมั น, น, นตั้งใจอย่างเงี้ยตั้งใจไว้ตอนนี้นะลืมตาเนี่ยตั้งใจมองมองพระอาจารย์ในตั้งใจเอาอาจารย์เป็นปัจัยเป็นประาญาตั้งใจว่าจากนี้ไปถ้าเราเริ่มเข้าสู่สมาธิเกิดความม่วงขึ้นมาเราจะดูมันแต่เราจะไม่ยอมม่วงไปกับมันเกิดมีความคิดใดขึ้นมา มันหลุดออกไปคิดเราก็จะไม่ไปร่วมคิดกับมันแต่เราจะดูมันใช่เกิดความสงสัยอะไรขึ้นมาเราจะไม่สนใจเรื่องความสงสัยนั้นเราจะปลดปล่อยทิ้งมันไปเราจะอยู่กับลมหายใจต่อไปตั้งใจให้อย่างนี้ตอนลืมตาอยู่เนี่ยให้จิตมันมีประสบการณ์มีความรู้ว่าเมื่อเกิดสภาวะต่า น, นั้นขึ้นมามันควรจะทำยังไงถ้า ถ้ามันห่วงมากจนกระทั่งเราเผลอไปอยู่กับมันใช่ไหมลืมตานั่งตัวตรงออกมาก่อนเพื่อไม่ให้ไปอยู่ในอำนาจมันลืมตามาตั้งใจใหม่เดี๋ยวเราจะเข้าธรรมาธิใหม่ถ้ามันมีความห่วงเกิดขึ้นมาอีกเราจะดูมันแล้วเราจะไม่ห่วงไปกับมันแล้วก็นั่งกึ้นไปใหม่ <c oughs> แต่ถ้าใครพอความห่วงเกิดปั๊บนะถ้าอย่างนี้น ะ, สะแสดงว่างไง ฮะ <Huh? S 2> เราไม่ได้ดูมันแต่เราง่วงไปกับมันเข้าใจป่ะเออแสดง ว, ว่าเราง่วงไปกับมันใช้ไม่ได้ถ้าว่าเราพอพ อ, พอมันกวนความง่วงอปุ๊บตั้งกายให้ตรงเลยเราจะดูมันเราจะดูความง่วงมันดูซิมันจะเป็นยังไงแต่เราจะไม่ง่วงไปกับมันโดยเด็ดขาดอืม เราจะไม่ง่วงไปกับมันด้วยเด็ดขาดเลยเราแค่ดูมันดูมันดูมันดูมันพอดูมันแล้วเราไม่ได้อยู่ในความม่วงนั้นแล้วนะก็ยกเข้าไปสู่ลมหายใจตั้งใจไว้ก่อนนะตั้งใจไว้ เราจะไม่ง่วงเมื่อมีความม่วงเกิดขึ้นเราจะไม่งว่วงไปกับมันแต่เราจะดูมันมีความคิดเกิดขึ้นเราก็จะดูมันเราจะไม่ไปคิดร่วมกับมัน <c oughs> ต้องรักษาไอเราเราไว้ก่อนอย่าให้มันไปจมอยู่กับพวกสภาวะพวกนี้สภาวะพวกนี้เราไปจมอยู่กับมันไม่ได้จมอยู่มันทีไรมันก็ปุงเราออกไปจากการภาวนาหมดเหมือนเราเดินบนถนน เป้าหมายอยู่ข้างหน้าไปเดินไปถึงเห็นยอดหญ้าสวยๆก็เดินลงข้างทางเส้นทางการเดินก็จบเดินเดินเดินเดินไปเจอร้านเจอร้านกาแฟข้างทางยังพอแวะได้นะเพราะว่าดื่มเสร็จเดินต่อ ไปไปเห็นอย่างอื่นไม่ได้บางสภาวะมันลงไปไม่ได้เลยแต่บางสภาวะมันเหมือนร้านกาแกฟข้างทางเนี่มันพอได้ไม่เจ็พอได้ใช่ไหมบางสภาวะมันเหมือนร้านขายน้ํำปั่นอยู่ข้างข้างทางหรือขายน้ําเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ยังพกขายน้ําอ้อยอย่างเงี้ยยังพอแวะได้นะแต่บางที่มันไม่ใช่ดิบางที่มัน เข้าไปแล้วมันต้องมีเครื่องดื่มเอ็นกงงองกงงแอ็กองงอบางที่เดนเส้นทางบางเราเดินทางอ่ะไปเจอเส้นเราไปแวะบางที่โอ้โหเหยุดเลยการเดินทางไปไม่ได้เหมือนสภาวะที่เกิดในการภาวนานี้เหมือนกันบางสภาวะนี่เราเข้าไปดูใส่ใจสนใจอยู่บ้างแต่เสร็จแล้วต้องปล่อยเพื่อเข้าไปสู่อารมณ์ภาวนานของตัวเองต่อไปถ้าไม่ปล่อยก็จบ ก็เหมือนกันเหมือนกันแต่บางสภาวะไปเจอกันแล้วมันติดอกติดใจเด้พอติดอกติดใจนี่มันอันตรายเพราะว่านั่งสมาธิครั้งต่อไปไงมันก็พยายามคิดใช้ความคิดตัวเองไปตะล่อมตะล่อมจิตเพื่อให้ได้สภาวะนั้นมาแล้วก็พอได้มาถึงก็คิดเอาเองแล้วก็คิดคิดเอาเอง แล้วก็คิดเอาเองว่าได้คิดเอาเองว่าอยู่แล้วก็วางนิ่งนิ่งอยู่อย่างนั้นอะไว้เรื่อยเรืื ย, ย, ยคิดเอาเองทั้งนั้นอันนี้ก็เรียกบีบประสนึกคิดเอาเองทั้งนั้นอยากได้อะไรง่ายง่ายพวกนี้ส่วนใหญ่สุดท้ายก็ไ ป, ไปไปตกไปอยู่กับสายมู พราว่ามันพอคิดคิดคิดพอหลังไปหลังเวลาต่อมาคิดไม่ได้คิดไม่ได้ทํำยังไงว่ามันผิดอะไรหรือเปล่าโอ้โหต้องไปอย่างนั้นต้องไปอย่างนี้ต้องแขวนันนั่นต้องแขวนนี่น ต, นน ต, ต้องต้องบูชาโน่นต้องบูชาเนี่ยไปหาสายมูแล้วเพราะฉะนั้นเดินตามพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้ทุกอย่างทําให้ถูกทําให้ชัดทําให้จริง <c oughs> อะพร้อมยัง เข้าสู่อาณาเลยนั่งคูบัดลังตั้งกายให้ตรง ไหลไปตามลําดับตั้งกายให้ตรงแล้วโน้มจิตมาที่กายกายของตนเองในอิริยาบถ ท, ที่นั่งอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตูในอิริยาบถนั่งว่าเราสามารถที่จะรู้สึกในอิริยาบถนั่งของเราอย่างไร ก็ตรวจสอบไปดูว่าบัลลังขาที่นั่งขัดนั่งตั้งคู่บัลลังก์หรือนั่งบนเก้าอี้ก็เล้าแต่ร่างกายลำตัวที่ตั้งตรงรู้สึกไปถึงกระดูกสันหลังจนถึงกระดูกคอต่อที่เขาตั้งตรงตั้งฉากกับพื้น ขึ้นไปที่ศีรษะดูกระโหลกศีรษะรู้สึกอยู่ที่ใบหน้ารู้สึกไปที่มือซ้ายฝาที่วางอยู่ในตําแหน่งที่วางไว้นิ่งรู้สึกไปที่ขวาเท้าซ้ายรู้สึกไปที่ขวาเท้าฝา รู้สึกไปที่ลำตัวขึ้นมาตามกระดูกสันหลังตั้งตรงแล้วมารู้สึกอยู่ที่ใบหน้ารู้สึกเบื้องบนคือหน้าผากรู้สึกเบื้องล่างคือคางเนื้อคางเป็นปาก ถ้ามันไม่ค่อยรู้สึกก็ขยับริมฝีปากนิดนี้เพื่อให้มันรู้สึกได้ง่ายพอเราขยับริมฝีปากบนกับริมฝีปากล่างให้แตะกันขยับขยับถ้าจิตผู้รู้ก็เข้าไปรู้สึกถึงการขยับไปขยับมาหรือการเสียดสีกันระหว่างฝีปากบนกับริมฝีปากล่างจิตผู้รู้ที่เข้าไปรู้สึกอยู่ตรงนั้น ถ้าก็รู้สึกตรงนั้นได้เขาก็คลายตัวออกจากทั้งหมดเนื้อปากก็เป็นจมูกตรงช่องจมูกจะเป็นทางเดินของลมลมข้างนอกไหลเข้าไปก็เป็นลมเข้า ลมข้างในไหลออกมาก็เป็นลมออกลมข้างในไหลไปข้างนอกอันี้เรียกว่าลมออกลมข้างนอกไหลเข้าข้างในเรียกว่าลมเข้ารู้สึกกับลมหายใจออกด้วยวิธีง่ายๆ หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่ารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่เข้ารู้สึกต่อลมหายใจที่กระทบตรงช่องจมูกลมหายใจออกกระทบกับช่องจมูกส่วนใดก็เข้ารับรู้การกระทบนั้นนิ่งนิ่งอยู่ที่เดียว เหมือนการเลื่อยไม้ควันเลื่อยไปกระทบกับเนื้อไม้จุดที่ควันเลื่อยไปกระทบกับเนื้อไม้เราก็ดูตรงนั้นเหมือนกันเหมือนลมหายใจออกที่ครูดออกไปกระทบกับโพรงจมูกส่วนใดเราก็ควารู้ตรงนั้นลมหายใจเข้าครูดเข้า ไปกระทบกับจมูกส่วนใดเราก็เฝ้ารู้ตรงนั้นเฝ้ารู้อยู่ที่เดียวที่มีการกระทบของลมหายใจกับช่องจมูกเฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นลมกระทบออกก็รู้ลมกระทบเข้าก็รู้อยู่ตรงนั้นที่เดียว กิตของเรามีหน้าที่แค่รู้ลมที่กระทบแล้วก็รู้อย่างนี้ตลอดไปอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้เรียกว่าสภาวะเราก็แค่รู้แล้วก็ปล่อยไปแค่รู้แล้วก็ปล่อยไปกิต ข, ของเราก็คือการรู้ลมที่กระทบตรงตรงจมูก สังเกตตอนนี้ลมคู่แรกคู่สองคู่สามเรายังรู้ลมได้ดีอยู่แต่พอรู้ต่อเนื่องไปคู่ลึกๆ ก, ก, การรู้จะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงถ้าความรู้ถ้าตัวรู้อ่อนลงจิตก็จะหลุดจากการรู้ลมหรือไม่ก็ความง่วงก็เกิด เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องโน้มสํารวมสํารวมจิตสํารวมจิตโน้มเพื่อให้ตัวรู้เข้าไปรับรู้การไหลออกไหลเข้าของลมหายใจจุดเดียวอย่างต่อเนื่องอย่างสํารวมระวังการสํารวมจิตมันจะทําให้การโน้มรู้นั้นมีกําลังขึ้นมา ท่านสภาวะอะไรก็ตามไม่ว่าความง่วงความฟุ้งที่เกิดขึ้นถ้าก็มีกำลังน้อยกว่าน้อยกว่าตัวรู้มันก็สามารถที่จะใช้ตัวรู้นี้แหละดูความง่วงความฟุง้งความเคลิมได้แต่ถ้าตัวรู้มีกำลังอ่อนแอตัวง่วงตัวฟุง้งตัวเคลิมมีกำลังมากกว่ามันก็ เข้ามายุดจิตผู้รู้เราก็กลายเป็นคนง่วงคนฟุง้งคนเคลิมไปมันเราจะต้องแก้ด้วยการสารวมจิตน้อมจิตให้เข้าไปรู้ลมหายใจอย่างถูกวิธีลมหายใจออกกระทบกับจุดที่กระทบแล้วก็ครูดออกไปเรากว้ารู้ตรงนั้น ความรู้ตรงจุดที่กระทบนั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้อยู่จุดนั้นจุดเดียวลมคู่ที่หนึ่งจะมีความรู้สึกได้ดีมากให้ทําอย่างไรให้คู่ที่สองมีความรู้สึกได้เหมือนอย่างคู่ที่หนึ่ง ก็จะต้องใช้ความสัมรวมระวังเพื่อโน้มรู้ของลมหายใจคู่ที่สองให้เหมือนคู่ที่หนึ่งนมรู้ลมหายใจคู่ที่สามให้เหมือนคู่ที่หนึ่งทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปบ่อยๆ ต้องปลดปล่อยความรู้สึกทั้งหมดนะให้เหลือแค่รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าอยู่ส่วนเดียวสิ่งอื่นอื่นที่มันไปกกเกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามต้องปลดปล่อยออกไปถ้ามันรู้ลมหายใจไม่ค่อยได้ก็ทำลมหายใจให้มันยา ว, ยาว ลมหายใจออกยาวๆแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ายาวๆก็รู้รู้อยู่อย่างนี้จนกระทั่งว่าลมหายใจเข้าสู่ในในลมปกติก็รู้ลมออกลมเข้าตามปกติไป อะไรที่เกิดรู้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราทำหน้าที่แค่รู้แค่ดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปรู้ลมอย่างเดิมหน้าที่ของเราคือรู้ลมสภาวะใดเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่ดูมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็จะดึงการภาวนาของเราออกไปทันทีแค่รู้แค่ดูไปเรื่อยๆ <C oughs> ค่อยๆน้อมจิตรู้ดูจิตผู้รู้ลูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าน้อมจิตผู้รู้ไปที่มือข้างขวาขยับไปปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกยกมือขวาขึ้นเคลื่อนมือขวาไปวางไว้ที่ข้ข้างขวา ให้จิตรู้สึก ช, ะชะ้าช้าขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกแล้วค่อยยกมือซ้ายขึ้นให้จิตรู้สึกและเลื่อนมือซ้ายวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายให้จิตรู้สึกโน้มจิตขึ้นมาสู่ใบหน้าของตน พาหกหน้าขึ้นมานิดหนึง่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิกิตคือการรู้ลมหายใจเนี่ยมันเออมันก็รู้มันต้องมีความรู้ มาถึงวันนี้ได้สอนไว้เรื่องนิมิตนะเรื่องนิมิตเรื่องลมหายใจออกลมหายใจเข้าเรื่องโพธพารม์แล้วก็ได้สอนเรื่องกิเลสอุปกิเลสของอาณาปานสติไว้ายสิบแปดอย่างนี่ยังไม่นับถึงอันตรายอันเป็นนิโอนแปดอย่าง ซึ่งมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะที่เรารู้ลมหายใจขณะเรารู้ลมหายใจมันเกิดได้เยอะมากซึ่งสิ่งเหล่านั้นเราไปเผลอระหว่างระหว่างดูกับรู้เนี่ยเผลอลงไปเกิดควา ม, มวงุ่งเราเผลอวงเข้าไปก็ไม่ได้เราเกิดความฟุ้งเราเผลอเราฟุ้งก็ไม่ได้ เกิดความคิดเราเข้าไปคิดก็ไม่ได้ให้เราจะต้องต้องแน่วแน่อยู่กับกิจที่เราทาคือการรู้ลมหายใจพอรู้มีกำลังมากพอมันก็จะปล่อยลมหายใจแล้วก็จะแค่รู้ลมลมหายใจเมื่อใดที่จิตผู้รู้เขาแค่รู้ลมหายใจได้เมื่อนั้นจิตผู้รู้ก็จะเข้าสู่ความเป็นอิสระ เข้าสู่กระแสของความเป็นอิสระนั่นเป็นลำดับขั้นของการพัฒนาของจิตผู้รู้เดี๋ยวตนบ่ายจะมาพูดเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งแต่คนเจริญอาณาเนี่ยจะต้องต้องทำความเข้าใจเรื่องนิมิตให้ชัดเจนเรื่องลมออกลมเข้ากษสตริท์บอกว่านิมิตตังอัตสาสะปัสสาสา อาชาณโตตยโยธรมเบภาวนาหนูปลปติคนผู้ใดไม่รู้ผู้ที่ไม่รู้สามอย่างคือนิมิตไม่รู้ลมหายใจออกไม่รู้ลมหายใจเข้าผู้ไม่รู้ว่าสามอย่างนี้ไม่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวการไม่รู้สามอย่างนี้ภาวนานูปลปติ ภาวนาก็จะไม่เกิดขึ้นภาวนาจะไม่เกิดขึ้นจำเป็นที่จะต้องรู้ซึ่งได้าครคไได้รับจดหมายทำเป็นสารฉบับที่หนึ่งที่สองที่สามจนถึงฉบับที่สิบโดยเฉพาะฉบับที่หนึ่งเรื่องชาวอาณาจำเป็นจะต้องรู้ มีเรื่องรู้และทำสภาวะให้รองรับนิมิตคืออะไรแล้วก็ทำสภ <ako S 1> าวะ <c ười> <ไห>ให้มันรองรับอ <shredded S 1> ้อนิมิตเป็นอย่างนี้ลมหายใจออกเป็นอย่างไรทำสภาวะให้มันรองรับได้ว่าลมหายใจออกเป็นอย่างนี้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรทำสภาวะรองรับได้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างนี้นี่รู้สามอย่างนี้ก่อนจากนั้นก็ไปรู้ลมยาวการรู้ลมยาวรู้อย่างไร รู้ลมยาวรู้อย่างไรรู้ลมยาวตามระยะเวลานะยาวตามเวลาไม่ใช่ยาวตามระยะทางวิธีการรู้ก็คือรู้อยู่ที่เดียวอยู่จุดที่กระทบจุดที่กระทบลมนั่นก็จะเรียกว่าเป็นลมที่เป็นโพธพารมซึ่งตอนไหวจะมาอธิบายอีกครั้งหนึง่งนะเพื่อรัศนซ้อมความชัดเจนรู้ตรงนั้นนิ่งนิ่งแน่วแน่ต่อเนื่อง หน้าที่ของเราคือรู้อยู่ตรงนั้นจิตผู้รู้จะแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเร่อยเกิดสภาวะต่างๆมากมายเราจะไปอะไรใยดีกับสภาวะใดๆไม่ได้เลยเราแค่ทาจิตของเราแค่รู้แค่รู้แค่รู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งเรื่องเหล่านี้ตอนบ่ายก็จะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งก่อนการภาวนารอบสองนะ ใครมีคำถามอะไรก็ให้อออหมดเวลาแล้วก็จะมาสนทนากันตอนบ่ายนะต่อจากนี้กับพระแล้วก็พัก